รูปฌานสอีกประการหนึ่งเพราะล่วงรูปสัญญาดปาปติคสัญญาไม่กําหนดนานาตสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุปรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรมทั้งหลายคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในอากาสานัญจายตนะฌานนั้นโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นดุดโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นดุดลูกศรอนเป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อนเป็นที่ทำให้ขัดข้องเป็นดุดคนฝ่ายอื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมทำจิตให้กลับจากทมเหล่านั้นครั้นแล้วจึงน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุว่าสภาวะที่สงบปราณีตคือความระงับสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิกิเลส ท, ทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายําหนัดความดับนิพพานเธอดํารงอยู่ในอากาสานัญ ย, ยัตนาชานั้นย่อม บ, บรรลุความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายหากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยะสังโยตห้าประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพเลิดเพลินในธรรมนั้นจากปรินิพานในภพนั้น ไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกนี้แหลเป็นมรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรมพาคิยสังโยชห้5ประการอีกประการหนึ่งภิกษุล่วงอากาสาณจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือเวทนาละถึง ที่มีอยู่ในวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นละถึงเพื่อละโอรมภะคิยสังโยชน์ประการอีกประการหนึ่งภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในอากินจัญญาญตนะฌานนั้น โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดุดโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นดุดลูกสอนเป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อนเป็นที่ทำให้ขัดข้องเป็นดูดคนฝ่ายอื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมทําจิตให้กลับจากธรรมนั้นครั้นแล้วจึงน้อมจิตไปเพื่ออมตะท่าว่าสภาวะที่สงบปราณี คือความสงบระ ง, งับสังขารทั้งปวงความสละเคืออุปธิกีเลทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเธอดำรงอยู่ในอากินจัญญายตนะชา น, นั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยสังโยธหประการสิ้นไป ด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นจากปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกนี้แหลเป็นมรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรมภาคียสังโยชน้าประการท่านพระอานนทูลถามว่าถ้ามรรคและปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อละโอรัมภาคียสังโยชน้าประการเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกจึงเป็นเจโตวิมุตตบางพวกจึงเป็นปัญญาวิมุตต์พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์ในเรื่องนี้เรากล่าวว่าภิกษุเหล่านั้นมีอินทรีย์ต่างกันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธิ์นี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล มหามาลุงกะยะสูตรที่สี่จบ 5. พัทธาลิสูตรว่าด้วยพระพัทธาลิคุณแห่งการฉันอาหารมื้อเดียว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 เราฉันอาหารมื้อเดียวเรามื้อฉันอาหารมื้อเดียวย่อมรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ำมีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สําราญพิสุทั้งหลายมาเถิดแม้เธอทั้งหลายก็จงฉันอาหารมื้อเดียวเถิดเธอทั้งหลายเมื่อฉันอาหารมื้อเดียวจะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ำมีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สําราญ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระพัธลิได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สามารถฉันอาหารมื้อเดียวได้เพราะเมื่อข้าพระองค์ฉันอาหารมื้อเดียวจะมีความกรนกระวายและมีความเดือดร้อนพัาลิถ้าเช่นนั้นเธอรับนิมนต์ณที่ใดแล้วพึงฉันณที่นั้นเสียส่วนหนึ่งแล้วนาอีกส่วนหนึ่งมาฉันก็ได้ เมื่อเธอฉันอาหารได้อย่างนี้ก็จะดำรงชีวิตอยู่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สามารถจะฉันแม้ด้วยอาการอย่างนั้นเพราะเมื่อข้าพระองค์ฉันอย่างนั้นก็จะมีความโคลนกระวายและมีความเดือดร้อนครั้งนั้นท่านพระพัทธลิได้ประกาศความไม่สามารถในการรักษาศีกษาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้และให้ภิกษุสงฆ์สมาทานศึกษาอยู่ ตั้งแต่นั้นมาท่านพระพัาลิเมื่อกล้าเผชิญพระพักพระผู้มีพระภาคตลอดสามเดือนเต็มเหมือนภิกษุผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาในศาสนาของพระศาสดาให้บริบูรณ์พระพัาลิสำนึกผิด สมัยนั้นภิกษุจํานวนมากช่วยกันทําจีวรกรรมเย็บจีวรสําหรับพระผู้มีพระภาคด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงใช้จีวรที่ทําสําเร็จแล้วเสด็จเที่ยวจาริกไปเป็นเวลาสามเดือนเวลานั้นท่านพระพัทาลิเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควร ภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวกับท่านพระพัททาลิว่าท่านพัททาลิภิกษุทั้งหลายช่วยกันทําจีวรกรรมนี้สําหรับพระผู้มีพระภาคด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงใช้จีวรที่ทําสําเร็จแล้วเสด็จเที่ยวเาริกไปเป็นเวลาสามเดือนท่านพัททาลิเราขอเตือนท่านจงใส่ใจความผิดนี้ไว้ให้ดีเถิดทีหลังท่านอย่าได้ก่อความยุ่งยากอีกเลย ท่านพระพัฏนารับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทั้งที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนโง่เป็นคนหลงไม่ฉลาดผู้ประกาศความไม่สามารถในการรักษาสิ ข, ขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้และให้ภิกษุสงฆ์สมาทานศึกษาอยู่ ขอพระผู้มีพระภาคทรงรับรู้โทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมระวังต่อไปเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเอาเถิดพัทธาลิโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนโง่เป็นคนหลงไม่ฉลาดผู้ประกาศความไม่สามารถในการรักษาศิกขาบทที่เราบัญญัติไว้และให้ภิกษุสงฆ์สมาทานศึกษาอยู่เธอไม่ได้เข้าใจแม้เหตุที่ว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในครูงสาวัตถีแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงรู้จักเราว่าภิกษุชื่อพัทธาลิเป็นผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาในศาสนาของพระศาสดาให้บริบูรณ์แม้เหตุนี้เธอก็มิได้เข้าใจเธอมิได้เข้าใจม้เหตุที่ว่าภิกษุจานวนมากเข้าจาพรรษาอยู่ในครงสาวัตถีแม้ภิกษุเหล่านั้นก็รู้จากเราว่าภิกษุชื่อพัทธาลิ เป็นผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาในศาสนาของพระาศาสดาให้บริบูรณ์แม้เหตุนี้เธอก็มิได้เข้าใจเธอไม่ได้เข้าใจแม้เหตุที่ว่าภิกษุณีจำนวนมากเข้าจำพรรษาอยู่ในครูสาวัตถีแม้ภิกษุณีเหล่านั้นก็รู้จากเราว่าภิกษุชื่อพัทธาลิเป็นผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาในาศาสนาของพระาศาสดาให้บริบูรณ์แม้เหตุนี้เธอก็มิได้เข้าใจ เธอไม่ได้เข้าใจแม้เหตุที่ว่าอุบาสกจำนวนมากอาศัยอยู่ในครุงสาวัตถีแม้อุบาสกเหล่านั้นก็รู้จักเราว่าภิกษุชื่อพัทธาลิเป็นผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาในศาสนาของพระาศาสดาให้บริบูรณ์แม้เหตุนี้เธอก็ไม่ได้เข้าใจเธอไม่ได้เข้าใจแม้เหตุที่ว่าอุบาสิกาจำนวนมากอาศัยอยู่ในครุงสาวัตถีแม้อุบาสิกาเหล่านั้นก็รู้จักเราว่า ภิกษุชื่อพัทาลิเป็นผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาในศาสนาของพระศาสดาให้บริบูรณ์แม่เหตุนี้เธอก็มิได้เข้าใจพัทาลิเธอมิได้เข้าใจแม้เหตุที่ว่าสมณพราหมณ์ต่างลัทธิจำนวนมากเข้าจำพรรษาในครูงสาวัตถีแม้สมณพราหมณ์ต่างลัทธิเหล่านั้นก็รู้จักเราว่าภิกษุชื่อพัทาลิสาวกของพระสมณโคดมเป็นพระเทระรูปหนึ่ง ผู้ไม่บำเพ็ญศีกขาในศาสนาของพระศาสดาให้บริบูรณ์แม้เหตุนี้เธอก็มิได้เข้าใจข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนโง่เป็นคนหลงไม่ฉลาดผู้ประกาศความไม่สามารถในการรักษาศีกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้และให้พิสุสงสมาทานศึกษาอยู่ขอพระผู้มีพระภาคทรงรับรู้โทษของข้าพระองค์โดยความเป็นโทษ เพื่อความสำรวมระวังต่อไปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพัทธาลิเอาเถิดโทษได้ครอบงามเธอผู้เป็นคนโง่เป็นคนหลงไม่ฉลาดผู้ประกาศความไม่สามารถในการรักษาสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้และให้ภิกษุสงฆ์สมาทานศึกษาอยู่พัทธาลิเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุในธรรมวิไนนี้เป็นอุปโตภาคาวิมุต เราจะพึงกล่าวกับภิกษุนั้นอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุเราจะก้าวไปในหล่มด้วยกันภิกษุนั้นจะพึงก้าวไปหรือน้อมกายไปทางอื่นหรือจะพึงปฏิเสธไม่ปฏิเสธพระพุทธเจ้าค่ะเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นปัญญาวิมุตต์เป็นกายศักิ์ ข, ขีเป็นทิฏฐิปัตตะเป็นศรัทธาวิมุตต์เป็นธรรมานุสารี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 เป็นธรรมานุสารีหรือเป็นสัทานุสารีบ้างไหมไม่พระพุทธเจ้าค่ะเวลานั้นเธอเป็นคนว่างคนเปล่าคนผิดใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะโทษได้ครอบงมค่าพระองค์ผู้เป็นคนโง่เป็นคนหลงไม่ฉลาดผู้ประกาศความไม่สามารถในการรักษาศิก ข, ขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้และให้ภิกษุสงฆ์สมาทานศึกษาอยู่ ขอพระผู้มีพระภาคทรงรับรู้โทษของข้าพระองค์โดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมระวังต่อไปเถิดพระพุทธเจ้าค่าพัทาลิเอาเถิดโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนโง่เป็นคนหลงไม่ฉลาดผู้ประกาศความไม่สามารถในการรักษาศีลบทที่เราบัญญัติไว้และให้ภิกษุสงฆ์สมาทานศึกษาอยู่แต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทาคืนตามธรรม เราจึงรับรู้โทษของเธอนั้นการที่บุคคลเห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้วทำาคืนตามธรรมจะสำรวมระวังต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัย ผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์พัททาลิภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่บำเพ็ญศิกขาในศาสนาของศาสดาให้บริบูรณ์เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรพักอยู่ณนะเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าบ่าชัดที่แจ้งล้อมฟางเถิด บางทีเราจะพึงทำให้แจ้งยานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์เธอพักอยู่ณนะเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคลนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเมื่อเธอหลีกออกไปอยู่อย่างนั้นาศาสดาก็ติเตียนได้เพื่อนโพรมจารีผู้รู้ทั้งหลายคร่อครแล้วก็ติเตียนได้เทวดาก็ติเตียนได้ แม้ตนเองก็ติเตียนตนเองได้เธอถูกศาสดาติเตียนบ้างถูกเพื่อนพระมารีผู้รู้ทั้งหลายติเตียนบ้างถูกเทวดาติเตียนบ้างตนเองติเตียนตนเองบ้างก็ไม่ทําให้แจ้งญางณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่บําเพ็ญศีกขาในศาสนาของศาสดาให้บริบูรณ์ ผู้บำเพ็ญศีกขาให้บริบูรณ์พัฒลิส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้บำเพ็ญศีกขาในศาสนาของศาสดาให้บริบูรณ์เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคลนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าบ่าชัดที่แจ้งลอมฟาง บางทีเราจะพึงทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์เธอพักอยู่ณนะเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคลนไม้ภูเขาช่อเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลลอมฟางเมื่อเธอหลีกออกไปอยู่อย่างนั้นแม้ศาสดา ก, ก็ติเตียนไม่ได้แม้เพื่อนพรมมารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครแล้วก็ติเตียนไม่ได้ แม้เทวดาก็ติเตียนไม่ได้แม้ตนเองก็ติเตียนตนเองไม่ได้เธออันศาสดาไม่ติเตียนเพื่อนโรมจารีผู้รู้ทั้งหลายใครโครแล้วก็ไม่ติเตียนเทวดาไม่ติเตียนตนเองติเตียนตนเองไม่ได้ย่อมทำให้แจ้งยานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ภิกษุนั้นสงังอาจจากกามและอคติธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตก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 มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเป็นผู้บำเพ็ญศีกขาในศาสนาของศาสดาให้บริบูรณ์อีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไปภิกษุบรรลุตติยฌานอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเป็นผู้บำเพ็ญศีกขาในศาสนาของศาสดาให้บริบูรณ์อีประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้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 เพราะภิกษุนั้นเป็นผู้บำเพ็ญศิกขาในศาสนาของศาสดาให้บริบูรณ์เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวนไหวอ ย, อย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกาลังเกิดทั้งชั้นต่าและชั้นสูงงามและไม่งาม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 ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยะยานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโร ธ, โรธาคาไม่นีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธาคาไม่นีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมเบิดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะ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 ทำให้ถูกข่มขี่และไม่ถูกข่มขี่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระพัาลิได้กกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ภิกษุทั้งหลายมักข่มขี่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ทําให้เป็นเหตุแห่งอธิกรณ์อันหนึ่ง อะไรหนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ให้ภิกษุทั้งหลายมักข่มขี่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ทําให้เป็นเหตุแห่งอธิกรณ์พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพัทธาลิภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องอาบัติอยู่เนืองๆเป็นผู้มีอาบัติมากเธอถูกภิกษุทั้งหลายตักเตือนอยู่ก็ ย, ยังฝ่าฝืนประพฤตินอกลู่นอกทางนําถ้อยคําภายนอกมากลบเกลื่อน แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏไม่ประพฤติ ช, ชอบไม่หวาดกลัวไม่ยอมถอนตนออกไม่กล่าวว่าเขาพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงฆ์เพราะเหตุที่ภิกษุเป็นผู้ว่ายากนั้นภิกษุทั้งหลายจึงพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ต้องอาบัติหนึ่งเนืองเป็นผู้มีอาบัติมาก เธอถูกพิษุทั้งหลายตักเตือนอยู่ก็ยังฝ่าฝืนประพฤตินอกลู่นอกทางนำถ้อยคำภายนอกมากลบเกลื่อนแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏไม่ประพฤติชอบไม่หวาดกลัวไม่ยอมถอนตนออกเมื่อกล่าวว่าเาพเจ้าจะทำตามความพอใจของสมเป็นการชอบที่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายจะพิจารณาโทษของภิกษุนี้โดยมิให้อธิกรระ ง, งับไปโดยเร็ว พัทาลิพิษุทั้งหลายจึงพิจารณาโทษของพิกษุนั้นโดยมิให้อธิกรนี้ระ ง, งับไปโดยเร็วด้วยอาการอย่างนี้พัทาลิส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้ต้องอาบัตหนึ่งเนืองเป็นผู้มีอาบัตมากเธอถูกพิกษุทั้งหลายตักเตือนอยู่ก็ไม่ฝ่าฝืนประพฤตนอกลู่นอกทางไม่นำถ้อยคำภายนอกมากลบเกลื่อนไม่แสดงความโกรธความขัดเคือง และความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏประพฤติ ช, ชอบหวาดกลัวยอมถอนตนออกกล่าวว่าพราพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงเพราะเหตุที่ภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายนั้นภิกษุทั้งหลายจึงพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ต้องอาบัตเนือ ง, งเป็นผู้มีอาบัตมากเธอถูกภิกษุทั้งหลายตักเตือนอยู่ก็ไม่ฝ่าฝืนประพฤตินอกลู่นอกทาง ไม่นำถ้อยคำภายนอกมากลบเกลื่อนไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏประพฤติชอบหวาดกลัวทอนตนออกกล่าวว่าเขาพระเจ้าจะทำตามความพอใจของสงเป็นการชอบแล้วขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงพิจารณาโทษของภิกษุนั้นโดยให้อธิกรณี้ระ ง, งับไปโดยเร็วพัทธลิภิกษุทั้งหลายจึงพิจารณาโทษของภิกษุนั้น โดยให้อธิกรณ์นี้ระ ง, งับไปโดยเร็วด้วยอาการอย่างนี้พัทธาลิภิกษุบางรูปในธรรมวินนยนี้ต้องอาบัตเป็นบางครั้งไม่มีอาบัตมากเธอถูกพิสุทั้งหลายตักเตือนอยู่ก็ ย, ยังฝ่าฝืนประพฤตินอกลู่นอกทางนำถ้อยคำภายนอกมากลบเกลืน่นแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏไม่ประพฤติชอบไม่หวาดกลัวไม่ยอมถอนตนออก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 ไม่ประพฤติชอบไม่หวาดกลัวไม่ยอมถอนตนออกไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสมเป็นการชอบที่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายจะพิจารณาโทษของภิกษุนี้โดยมิให้อธิกรระ ง, งับไปโดยเร็วพัทธาลิภิกษุทั้งหลายจึงพิจารณาโทษของภิกษุนั้นโดยมิให้อธิกรระ ง, งับไปโดยเร็วด้วยอาการอย่างนี้พัทธาลิ ส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัตเป็นบางครั้งไม่มีอาบัตมากเธอถูกภิกษุทั้งหลายตักเตือนอยู่ก็ไม่ฝ่าฝืนประพฤตินอกลู่นอกทางไม่นำถ้อยคำภายนอกมากลบเกลื่อนไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏประพฤติ ช, ชอบหวาดกลัวยอมถอนตนออกกล่าวว่าข้าพเจ้าจะทาตามความพอใจของสง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 ข้าพเจ้าจะทําตามความพอใจของสงเป็นการชอบแล้วขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงพิจารณาโทษของภิกษุนี้โดยให้อธิกรณ์นี้ระ ง, งับไปโดยเร็วพัทธาลิภิกษุทั้งหลายจึงพิจารณาโทษของภิกษุนั้นโดยให้อธิกรณ์นี้ระ ง, งับไปโดยเร็วด้วยอาการอย่างนี้พัทธาลิภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ดําเนินชีวิตด้วยศรัทธาพอประมาณ ด้วยความรักพอประมาณเพราะเหตุที่ภิกษุเป็นผู้ดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณนั้นภิษุทั้งหลายจึงพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณถ้าเราทั้งหลายจักคมขี่ภิกษุนี้ทำให้เป็นเหตุแห่งอธิกรณ์ด้วยตั้งใจว่าศรัทธาพอประมาณความรักพอประมาณของเธอนั้น อย่าได้เสื่อมไปจากเธอเลยบุคคลผู้เป็นมิตรอมาตย่าสาโลหิตของบุรุษผู้มีในตาข้างเดียวพึงรักษาในตาข้างเดียวนั้นไว้ด้วยตั้งใจว่าในตาข้างเดียวของเขานั้นอย่าได้เสื่อมไปจากเขาเลยแม้ฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ข้อฉันนั้นเหมือนกันดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณเพราะเหตุที่ภิกษุ เป็นผู้ดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณนั้นภิกษุทั้งหลายจึงพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ดาเนินชีวิตด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณถ้าเราทั้งหลายจะกคมขีภิกษุนี้ทำให้เป็นเหตุแห่งอธิกรณ์ศรัทธาพอประมาณความรักพอประมาณของเธออย่าได้เสื่อมไปจากเธอเลยพัทธาลิ นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พิสุทั้งหลายคมขี่พิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้แล้วทําให้เป็นเหตุแห่งอธิกรณ์อันหนึ่งนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พิสุทั้งหลายคมขี่พิกสุบางรูปในธรรมวินัยนี้แล้วทําให้เป็นเหตุแห่งอธิกรณ์ สวัสานิยธรรมท่านพระพัาลิทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เมื่อก่อนสิกขาบทมีเพียงเล็กน้อยแต่ภิกษุจำนวนมากดำรงอยู่ในอรหัตผลอันหนึ่งอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่บัดนี้สิกขาบทมีเป็นอันมากแต่ภิกษุจำนวนน้อยดำรงอยู่ในอรหัตผลพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า พัทธาลิข้อนี้เป็นจริงอย่างนั้นเมื่อสัตว์ทั้งหลายกำลังจะเสื่อมเมื่อสัตยธรรมกำลังจะอันตรธานสิกขาบทมีอยู่เป็นอันมากแต่ภิกษุจำนวนน้อยดำรงอยู่ในอรหัตผลาศาสดาจะยังไม่บัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายตลอดเวลาที่ยังไม่เกิดอาสวัานิยธรรมบางอย่างในสงเมื่อเกิดอาสวัานยธรรมบางอย่างในสง ศา ส, สดาจึงจะบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพื่อขจัดอาสวัตฐานิยธรรมเหล่าน pues <ups> ั <tones> <farewell> ้นอาสวัตฐานิยธรรมบางอย่างยังไม่เกิดในสงฆ์ตราบเท่าที่สงฆ์ยังไม่เป็นหมู่ใหญ่เมื่อสงฆ์เป็นหมู่ใหญ่อาสวัฐานิยธรรมบางอย่างจึงเกิดในสงฆ์ศาสดาจะบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพื่อขจัดอาสวัฐานนิยธรรมเหล่านั้น อาสวัตฐานิยธรรมบางอย่างยังไม่เกิดในสงฆ์ no ตราบเท่าที่สงฆ์ยังไม่เป็นผู้เลิศด้วยลาบยังไม่เป็นผู้เลิศด้วยยศยังไม่เป็นพหูสูตรอาสวัตานิยธรรมบางอย่างยังไม่เกิดในสงฆ์ตราบเท่าที่สงฆ์ยังไม่เป็นรัตตัญญูเมื่อสงฆ์เป็นรัตตัญญูอาสวัตฐานิยธรรมบางอย่างจึงเกิดในสงฆ์ศาสดาจะบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพื่อขจัดอาสวัตฐานิยธรรมเหล่านั้น พัทธาลิสมัยใดเราแสดงธรรมบัญญายเปรียบด้วยม้าอาชาในหนุ่มแก่เธอทั้งหลายสมัยนั้นเธอทั้งหลายยังมีจำนวนน้อยพัทธาลิเธอยังระลึกถึงธรรมบัญญายนั้นได้อยู่หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าข่าในการระลึกไม่ได้นั้นเธออาศัยเหตุอะไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะข้าพระองค์มิได้บำเพ็ญศิกขาในศาสนาของพระาศาสดาให้บริบูรณ์เป็นเวลา น, านานมาแล้วแน่พระพุทธเจ้าค่าพัทธาลิความเป็นผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์นี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็าหามิได้แต่เรากำหนดรู้ด้วยจิตจึงรู้จักเธอมานานแล้วว่าเมื่อเราแสดงธรรมอยู่โมฆะบุรุษนี้ไม่ตั้งใจไม่ใส่ใจไม่เอาใจจดจอ่อไม่เงียโซ่สดับธรรม แต่เราก็จะแสดงธรรมบัญญายเปรียบเทียบด้วยม้าอาชาในหนุ่มแก่เธออีกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระพัฒทาลิทูลรับสนองพระธํา ร, รัตแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า องคุณของภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญพัฒลิเปรียบเหมือนคนฝึกม้าผู้ชำนาญได้มาอาชาในพันดีแล้วครั้งแรกทีเดียวฝึกให้มันรู้เรื่องในการสวมบางเหียนเมื่อเขากำลังฝึกให้มันรู้เรื่องในการสวมบางเฮียนมันก็พยศสะบัดดิ้นรนอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนมาที่ยังไม่เคยฝึกม้านั้นหมดพยศได้เพราะการได้รับการฝึกบ่อย เพราะได้รับการฝึกตามขั้นตอนโดยลำดับเมื่อม้าอาชาในพันธดีหมดพยศลงได้เพราะได้รับการฝึกบ่อยๆเพราะได้รับการฝึกตามขั้นตอนโดยลำดับคนฝึกม้าก็จะฝึกให้มันรู้เรื่องอื่นต่อไปอีกเช่นฝึกเทียมแอกเมื่อเขากำลังฝึกให้มันรู้เรื่องในการเทียมแอกมันก็จะพยศสะบัดดิ้นรนอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนม้าที่ไม่เคยฝึก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 การวิ่ง 5. การใช้เสียงร้องให้เป็นประโยชน์ 6. คุณสมบัติได้เป็นราชนิยม 7. ความเป็นวงพยาม้าแความว่องไวชั้นเยี่ยม 9. การเป็นม้าชั้นเยี่ยม 10. การเป็นม้าที่ควรแก่การชมเชยอย่างยิ่งเมื่อคนฝึกมา้าฝึกให้เมนรู้เรื่องในความว่องไวชั้นเยี่ยมในการเป็นม้าชั้นเยี่ยม ในการเป็นม้าควรแก่การชมเชยอย่างยิ่งม้านั้นก็จะพยศสบัดติ้นรนอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนม้าที่ยังไม่เคยฝึกม้านั้นหมดพยศลงได้เพราะได้รับการฝึกอยู่บ่อยๆเพราะได้รับการฝึกตามขั้นตอนโดยลำดับในการขี่ม้าอาชาในพันธีซึ่งหมดพยศลงนั้นคนฝึกม้าก็จะเพิ่มการฝึกให้มีคุณภาพให้มีกาลังขึ้น ม้าอาชาในพันดีประกอบด้วยองค์สิบประการนี้แลจึงเป็นม้าควรแก่พระราชาเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้แม้ฉันใดภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการข้อฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญเชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก ทำสิบประการอะไรบ้างคือภิกษ <BE> ุในธรรมวินัยนี้ 1. 1>, 1. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอันเป็นอเศขะ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะอันเป็นอเศขะ 3. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวาจาอันเป็นอเศขะ 4. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะอันเป็นอเศขะห เป็นผู้ประกอบด้วยส ah ัมมาอาชีวะอันเป็นอาศะ 6. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวายามะอันเป็นอาศะเจ็เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสติอันเป็นอเาศะแปดเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสมาธิอันเป็นอาศะเก้เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาญาณะอันเป็นอาศะ10 เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวิมุตติอันเป็นอเสศะพัาลิภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิประการ น, นี้แลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกพระผู้มีพระภาคได้ตรัพย์สิทธิ์นี้แล้วท่านพระพัาลิมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แหลพัทธลิสูที่ห้าจบ